พยายามจับหลักการปฏิบัติให้ได้ถ้าจับหลักได้แล้วเนี่ยการปฏิบัติก็สามารถที่จะทําให้กลมกลืนไปกับชีวิตประจําวันได้ถ้าจับหลักไม่ได้เนี่ยก็จะไปติดที่รูปแบบก็คือว่าเข้าใจว่าการปฏิบัติ จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องยกมือสร้างจังหวะหรือว่าเดินจงกรมหรือว่าตามลมหายใจนั่งหลับตาอันนั้นมันเป็นการปฏิบัติก็จริงแต่ว่ายังเรียกว่าเป็นการปฏิบัติในรูปแบบการปฏิบัติที่จะเรียกว่าสำคัญกว่านั้น ก็คือการปฏิบัติแบบนอกรูปแบบเพราะว่าส่วนใหญ่เรามีเวลาสําหรับการปฏิบัติในรูปแบบก็ไม่ได้มากมายอะไรแม้แต่เวลาเรามาปฏิบัติที่นี่เวลาส่วนใหญนะ่หรือว่าเวลามากกว่าครึ่งก็คงเป็นการปฏิบัติที่เวลามากกว่าครึ่งก็คงจะเป็นช่วง เวลาที่เราไม่ได้ปฏิบัติในรูปแบบเท่าไหร่คือตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาถูฟันอาบน้ำบางคนเข้าใจว่าอันนั้นไม่ใช่การปฏิบัตินะก็จริงอยู่ถ้าเกิดว่าวางจิตวางใจไม่ถูกต้องมันก็เป็นแค่อิริียบทธรรมดาแต่ถ้าเราวางใจให้เป็นวางใจให้ถูก การปฏิบัติก็เริ่มต้นตั้งแต่เราตื่นนอนขึ้นมาแล้วละแล้วก็สามารถจะต่อนเนื่องไปจนถึงเวลาเราเข้านอนได้ตอนที่่อมาไปปฏิบัติกับหลวงพ่อเทียนวันแรกเราก็ตามทำตามภสาษาซื่อนะก็ถามหลวงพ่อว่าวันหนึ่งนี้ต้องปฏิบัติกี่ชั่วโมงก็เข้าใจว่า คงคล้ายๆกับเวลาราชการเลยนะเก้าโมงช้าถึงสี่โมงเย็นขนาดแค่นั้นเราก็ถือว่าหนักใจแล้วนะว่าจะทำได้ยังไงเพราะว่าแค่ชัมม่วโมงเดียวก็ไม่ไหวแล้วน ะ, ะหลวงพ่อบอกว่าทำตั้งแต่ตื่นนอนเลยนะจนเข้านอนเลยก็ตกใจนะว่าโอ้ทาได้ยังไงอันนั้นพ่อไปเข้าใจว่าการปฏิบัตินี่มันต้องทำตามรูปแบบนะ แต่ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเป็นการเจริญสติมันทำได้ตลอดเวลาเนเาแต่มาก็ใช้เวลานานนะกว่าจะเข้าใจเพราะว่าพอปฏิบัติไปได้สักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเราก็เริ่มปรับตัวได้สามารถที่จะบังคับจิตบังคับใจให้ ให้ปฏิบัติในรูปแบบได้เรียกว่าเกือบจะตลอดทั้งวันเลยเนะจนกระทั่งอพอมีคนมาหาเช่นมีโยมพ่อมาเยี่ยมเนี่ยจะมีความรู้สึกไม่พอใจก็จะถามท่านเลยว่ามาทำไมเพราะในใจเนี่ยเรารู้สึกว่าถ้าท่านมา เราก็ไม่ได้ปฏิบัติเราต้องหยุดเพื่อที่จะต้อนรับนะตอนนั้นไม่ไม่เฉลียวใจหรือว่าที่จริงแล้วเนี่ยเวลาเราคุยกับยมพ่อยมแม่หรือคุยกับเพื่อนที่มาเยี่ยมเนี่ยมันก็เป็นการปฏิบัติได้ก็คือว่าคุยอย่างมีสตนะิคุยแบบไม่ฟ úng, ุ้งคุยแบบไม่น้ำลายแตกฟองนะ มันมีน่าสังเกตดูเวลาเราคุยบางทีคุยกับเพื่อนแล้วน้ำลายแตกฟองหยุดไม่ได้นะจะต้องให้มีคนฟังให้ได้ถ้าใครไม่ฟังนะก็ไม่พอใจแต่ถ้ามีคนฟังก็ยิ่งคุยยิ่งมันนะหรือว่าเวลาเราเป็นฝ่ายฟังถ้าเราฟังไม่ดีใจเราก็ล่องลอยไปทางโน้นไปทางนี้หรือว่าไปติดตันอยู่กับคาพูดบางคำพูดอันนั้นก็เรียกว่าไม่รู้ทันจิต จริงๆแล้วเนี่ยเราอยู่ในออเรียบทไหนทาอะไรก็เป็นการปฏิบัติได้อย่างที่พูดเมื่อเช้าวานว่าเวลาเราฉันเราก็ปฏิบัติทำได้อันนี้ก็รวมไปถึงการกินข้าวอาบน้ำถูฟั น, นเราเดินมานี่ก็ปฏิบัติได้นะ เราล้างจานเราหั่นผักก็ปฏิบัติได้แต่ว่านักปฏิบัติจะนวนไม่น้อยนี่จะไม่เข้าใจเพราะว่าไปติดที่รูปแบบไปติดว่าเนี่ยต้องปฏิบัติก็ต้องยกมือนะปฏิบัติก็ต้องเดินจงกรมนะแล้วเวลาทำอะไรก็ตามเนี่ยก็จะไม่มีความสุขไม่อยากจะทำอะไรเลยเพราะว่าจะทำให้เราไม่ได้ปฏิบัตินะ มันจะสวิงนะคือใหม่ๆเนี่ยไม่อยากปฏิบัติปฏิบัติชั่วโมงนึงก็รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วแต่พอปฏิบัติไปจนกระทั่งเริ่มจะมีนิสัยในทางนั้นเนี่ยมันจะเบี่ยงไปอีกข้างหนึ่งก็คือว่าฉันจะปฏิบัติลูกเดียวอย่างอื่นฉันไม่ทำแล้วก็ถ้าให้ใครมาทำไม่ขัดขวางการปฏิบัติฉันจะขุนเคืองมากนะจะให้ทำอะไรนี่ฉันไม่เอานะ อย่ามาชวนฉันเพื่อนมาหาฉันก็ไม่เอานะดูเหมือนว่าดีนะแต่ว่ามันไม่ดีหรอกเพราะว่าตอนที่ใจขุนมัวกลับไม่รู้ทันใจที่ขุนมัวแล้วก็คุยกับเขาก็ไม่ได้คุยด้วยความใส่ใจเท่าที่ควรใจมันนึกถึงแต่การปฏิบัติอย่างเดียวคือว่าอยากจะรีบให้คุยจบเร็วๆฉันจะได้ไปปฏิบัติสมัยหนึ่งนะหลวงพ่อหลวงพ่อชา หลงพระชาสุตโทแห่งวัดหนองปลาพงท่านมรณภาพไปนานแล้วนะพวกเราหลายคนคงรู้จักเพราะว่าท่านนี่เรียกว่าเป็นปรมาจารย์ด้านหนึ่งในด้านวิปัสสนากรรมฐานสมัยที่ท่านยังหนุ่มนะอายุทัก30กว่าก็บวชได้เกือบ 10, สิบพรรษาแล้วล่ะอาจจะยังไม่ถึง30ดีนะท่านก็ไปปฏิบัติกับหลวงปู่กินนรีหลวงปู่กินนรีนี่ก็เรียกว่าเป็นวิปัสสนาาจารย์ลูกศิษย์ อาจารย์มั่นท่านหนึ่งแล้วก็เรียกว่าเจนจบในเรื่องการทุดดงนะเรียกว่าปลาดิบลึกแค่ไหนท่านก็ทุดดงจนกระทั่งพอท่านชลาแล้วท่านก็มามาปักหลักสำนักอยู่แถวสุยหนองคายหรือนความพนมเนียนะหลวงวชาตอนนั้นก็เรียกว่าเป็นพระหนุ่มท่านตั้งใจมากทั้งวันเนี่ยเดินจงกรมกับนั่งสมาธินะ อย่างอื่นไม่สนใจเลยจนกระทั่งจีวอนท่านเนี่ยก็เริ่มขาดวิ่นสถานการณ์บังคับให้ท่านต้องมาเย็บจีวอนปะชุนจีวอนแต่ขณะที่ปะชุนเนี่ยท่านก็ปะ ด, ด้วยความเร่งรีบมากคือรีบทำไวๆเพราะว่าใจเนี่ยท่านอยากจะรีบไปปฏิบัติธรรมรีบไปเดินจงกรมรีบไปนั่งสมาธิหลวงปู่กินเลีผ่านมาเห็น ดูซักดูอาการสักพักก็เลยถามหลวงพ่อชาตอนนั้นยังเรียกเป็นท่านชาอยู่นะท่านชาท่านจะรีบร้อนไปไหนท่านชาก็ตอบว่าเดีย๋ยวจะไปทํางานนี้ต่องานอื่นต่ออ่าทำเสร็จแล้วจะไปไหนต่อก็จะรีบไปภาวนาหลวงปู่กินนีเลก็เลยพูดขึ้นมาว่าท่านจะรีบไปทําไมนะ เย็จีวรเนี่ยมันก็ภาวานาได้จะทําอะไรก็ตามเนี่ยก็ขอยดูจิตของตัวแล้วก็แก้ไขปรับปรุงให้มันถูกต้องนี่ความอยากมันท่วมหัวท่านแล้วท่านยังไม่รู้ตัวอีกเลยความอยากมันท่วมหัวท่านแล้วท่านยังไม่รู้ตัวอีกเลยเนี่ยความอยากคืออยากอะไรคืออยากปฏิบัติเนี่ยตัวเลยรีบหลนนะอยากจะเย็บจีวรให้เสร็จนะ ก็เป็นบทเรียนที่สำคัญมากเพราะว่าต่อมาหลวงพ่อชาท่านก็เอามาเล่าวันนั้นเวลาใครมีคนมาถามหลวงพ่อชาว่าผมไม่มีเวลาปฏิบัติหรอกหลวงพ่อหลวงพ่อช า, าจะถามว่าแล้วมีเวลาหายใจหรือเปล่าถ้ามีเวลาหายใจนั่นก็ปฏิบัติได้เพราะว่าเราสามารถจะปฏิบัติได้ทุกลมหายใจใครบอกว่าไม่มีเวลา ปฏิบัติก็ถามว่ามีเวลาถูฟันไหมมีเวลากินข้าวไหมมีเวลาอาบน้ำไหมถ้ามีเวลาก็นั่นแหละปฏิบัติได้คนเราทั้งชีวิตนะถ้าอายุสักเจ็ดบแปดสิบเนี่ยเราจะอยู่ในห้องน้ําทั้งอาบน้ําถูฟันแต่งตัวนี่ประมาณเจปีทั้งชีวิตนะอยู่ในห้องน้ําเนี่ยเพื่อการ ชำระร่างกายระบายของเสียเนี่ยอาบน้ำถ่ายของเสียเนี่ยรวมทั้ ง, งหมดล้ว7ปีให้7ปีนี่ถ้าเอามาใช้เพียงแค่ครึ่งถนึงสารการปฏิบัติมันจะเยอะมหาศาลเลย น, นะ3ปีกว่านะเพราะว่าเรามาปฏิบัติอุกฤษขนาดนี้เนี่ยมันก็แค่7วันไม่ถึงดีได้ซ้ำนะเพราะว่าเวลาพัก เวลานอนนี่ไม่นับแต่ว่าที่ว่าเจ็ปีนี่ก็คือว่าเจ็คือทุกทุกวินาทีทุกเม็ดเลยนะรวมไปแล้วเจ็ดปีเนี่ยถ้าเราเอาแค่ครึ่งหนึ่งนะมาใช้ในการเจริญสติถูฟันยังมีสติอาบน้ำยังมีสติอันนั้นก็ให้ร้วนั่นนะปฏิบัติแล้วอาจจะมีอ น, นิสง์มากกว่าคนที่เข้าคอร์สทุกปีปีละหนึ่งเดือนเพราะว่า เอาสมมุตินะหนปีละปีละ1เดือน30ปีก็30เดือนนะมันก็แค่2ปีเสร็จเสร็จและไอเดือนที่ปฏิบัตินี่ก็ไม่ใช่ี่ชั่วโมงนะก็เฉพาะ8ชั่วโมงนะที่เราปฏิบัติในรูปแบบหรือว่าจะรวไมไปถึงเวลาที่ตื่นมาจนถึงเข้านอนก็16ชั่วโมง17ชั่วโมงนะไม่นับเวลานอนนะมันไม่มันแม่ก็ไม่ถึง ถึงดีที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเรานะพยายามปฏิบัติในรูปแบบด้วยแล้วก็ปฏิบัตให้มันกลมกลืนกับชีวประจําวันอย่างที่ว่าไม่ใช่รูปแบบเนี่ยมันจะเสริมกันมากนะปฏิบัติในรูปแบบมันก็เมื่อการเติมน้ําใสโอง่งนะเติมน้ําใสโองค์แต่ว่าอโอ่งใบนี้เนี่ยมันน้ํามันรั่วซึมได้ง่ายนะ เติมทั้งวันเติมไปได้หนึ่งในสามของออคงแต่พอเลิกปฏิบัติสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นก็อ้าวคุยกันละเฮฮาปาร์ตนะี hey, ้กันนะฟังเพลงดูหนังดูละครมันก็เหมือนกับน้ำที่ค่อยๆรั่วซึมออกจากโองคงนั้นวันรุ่งขึ้นมันก็เหลือแค่อาจจะหนึ่งในหนึ่งในสิบก็ได้ พอมาเติมใหม่ปฏิบัติในรูปแบบเติมน้าเข้าไปก็ได้น้ําเพิ่มเข้ามาอีก1ใน3แต่ว่าพอเลิกปฏิบัติมันก็รั่วใหม่แล้วเป็นอย่างนี้เมื่อไหร่มันจะเต็มนะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีการปฏิบัตินนอกรูปแบบก็คือว่าให้มันกลมกลืนไปกับชีวิตประจําวันอีเดีย บ, บทต่างๆที่ไม่ใช่รูปแบบก็ปฏิบัติ ด, ด้วยนะก็เมื่อว่า เป็นการรักษาไม่ให้น้ำมันรั่วซึมหายไปเติมก็ต้องเติมแต่ก็ต้องรักษาของเดิมเอาไว้ไม่ให้รั่วไหลหรือรั่วซึมมันต้องทำสองอย่างน้ำถึงจะเต็มโอง่งไม่งั้นเนี่ยก็ไม่เต็มสักทีเพราะมันรั่วบางคนนี่รั่วเยอะด้วยนะจนทั่งไม่เหลือเลยก็มีเติมน้ำเต็มทั้งวันหรือว่าหนึ่งในสมพอมาวันรุ่งขึ้น หายหมดแล้วนะเพราะว่าเราใช้ชีวิตตามความเคยชินหลังจากที่ออกจากทางจงกรมหรือออกจากที่นั่งสมาธิอนะนี้เนี่ยเราต้องตระหนักนะนะอุตส่าห์เสียเวลามานะยอมสู้กับความเบื่อความเซ็งนะตลอดวันเสร็จแล้วพอออกจากทางจงกรมพอปล่อยเข้านอนนะ ไอสติที่สะสมบ่มเพาะมาก็เจอกระเจิงหายหมดนะก็เรียกว่าฟาวบางทีมันฝ่าวตั้งแต่ตอนที่ปฏิบัติแล้วละ่ะก็คือว่าเดินจงกรมสร้างจังหวะแต่ว่าใจไม่รู้ไปไหนนะอันนี้เรียกว่าฝ่าวเดินฟรีที่จริงการปฏิบัติเนี่ยพุทเจ้าก็ตัดไว้เองเลยาว่า ไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนนะถ้าหากว่าจิตเนี่ยมีความคิดในทางกลามกางนี่ก็บอกเวลานอะนไม่ใช่หมายถึงเรื่องทางเพศอย่างเดียวหมายถึงรสอร่อยทางตาจมูกลิ้นกายที่หัวที่น่าชื่นใจน่าพอใจแล้วก็ระลึกนึกถึงมันความเมื่อมีความคิดในทางกลามก็ดีเมื่อมีความคิดในเชิงในเชิงพยาบาท ขุ่นเคืองหดหดก็ดีหรือมีความคิดในเชิองอยากจะเบียดเบียน<ๆ>ก็เรียก ว, วิหิงสาก็ดนะีอันนี้มันเป็นวิจฉาสังกัปปะน ะ, ะที่เราสวดเมื่อวานเนี่ยถ้ามีความคิดในทางกรามก็ดีในทางพยาบาทก็ดีในทางเบียดเบียนหรือวิหิงสาก็ดีแล้วสลัดมันออกไปได้ถอนใจออกมาจากความคิดนั้น แม้ว่ายืนก็ดีเดินก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีก็ถือว่าผู้นั้นเนี่ยทาความเพียรตลอดเวลาแม้แต่นอนนะแม้แต่นอนเนี่ยแต่ว่ารู้ทันจิตรู้ทันอารมณ์ที่เป็นอกุศลก็ถือว่าปฏิบัตินะถือว่าทําความเพียรซึ่งตรงข้ามกับคนที่เดินจงกรมสร้างจังหวะแต่ว่าปล่อยให้ความคิดหรือว่า ความวิตกนะวิตกในที่นี้มันเป็นความคิดน ะ, ะมันเป็นไปในทางบุศลแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้คิดที่จะสลัดที่จะปล่อยแต่ว่าเพลิดเพลิ น, นตามอารมณ์เหล่านั้นอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้ปฏิบัตินะถือว่าไม่ได้ทําความเพียรเนี่ยความเพียรใ น, นทางพุทธศาสนาเนี่ยมันมันไม่ได้ที่รูปแบบนะมันอยู่ที่ข้างในข้างในใจ หลวงพ่อชาก็เล่านะว่าตอนที่ท่านอยู่กับหลวงปู่กินนลีเนี่ยตัวหลวงพ่อชาเนี่ยหรือว่าท่านชานท่านยังหนุ่มอยู่ตอนนั้นท่านเดินจงกรมท่านนั่งสมาธิเนี่ยเรียกว่าทั้งวันแล้วก็ค่อนคืนเลยแต่ว่าแปลกใจว่าหลวงปู่กินนลีนี่ท่านวันหนึ่งก็เดินจงกรมไม่กี่เที่ยวแล้วที่เหลือท่านก็ปะชุนผ้าบ้าง ท่านทำโน่นทำนี้จิปาถามังไม่เห็นท่านปฏิบัติเลยนึกในใจว่าเนี่ยแล้วท่านจะไปถึงไหนนอกขนาดเราปฏิบัติทั้งวันนี้เรายังไม่ค่อยรู้อะไรเลยแล้วหลวงพ่อนี่ท่านจะรู้อะไรล่ะนะท่านไม่ปฏิบัติเลยเนี่ยแต่ว่าพอได้ฟังหลวงปู่กินรีเทศนะหรือว่าแนะนำธรรมะนี่ก็ประหลาดใจว่าท่านรู้ทาลึกซึ้งมาก ท่านก็เลยรู้เลยว่าอ๋อการปฏิบัติธรรมที่แท้ที่มันเป็นเรื่องการการทำจิตนะเป็นเรื่องการละอาสวักิเลสภายในไม่ใช่อยู่ที่รูปแบบนะคนไม่เข้าใจนะทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นพระหรือค า, ารวะหลวงพ่อชาท่านเล่าอีกตอนที่ท่านมาสร้างหนองปลาพงแล้วมีวันหนึ่งท่านก็ ให้พระเนนช่วยกันข น, it, นะขนอิดนะขนดินเพื่อถมรอบศาลารอบโบสถนะ์หลวงพ่อท่านก็คุมงานอยู่ก็มีเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งนะมาเห็นมาดูพระทำงานสักพักก็พูดกับหลวงพ่อว่าทำไมหลวงพ่อ ไม่สอนพระให้นั่งสมาธิเลยหลวงพ่อท่านบอกว่าน <Yeah. S 2> ั่งมากๆขี้ไม่ออกว่ะท่านเพราะว่าเพราะว่าเด็กวัยรุ่นพูดเหมือนกับว่ามาตําหนิท่านมาทําไมไม่ให้พระนั่งสมาธิมาให้พระมาทํางานท่งนก็เลยพูดสวนมากลัวนั่งนานๆและพระไอ้นั่งนั่งนานๆและขี้ไม่ออกว่ะแล้วท่านก็ที่บายต่อว่าไปว่า นั่งอย่างเดียวก็ไม่ดีเดินอย่างเดียวก็ไม่ดีนั่งบ้างทำประโยชน์บ้างแล้วก็ดูจิต ด, ดูใจนะปฏิบัติที่จิตที่ใจมันให้ถูกต้องนะท่านก็บอกเนี่ยว่าการปฏิบัติเนี่ยมันมันอยู่ที่ข้างในนะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าอยู่ที่รูปแบบแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยถ้า ถ้าเจ้าพวกเจ้าไม่รู้เรื่องแล้วก็อย่าพูดนะพูดแล้วขายขี้นหน้าเขานะแล้วบางทีคนเนี่ยเห็นบางทีเห็นไปสวนโมกเห็นพระทํางานกันโดยเฉพาะวันวันกรรมกรนะก็มักจะติตําหนิใน ใ, นใจว่าทําไมพระวันนี้ไม่ปฏิบัติเล ย, ยที่จริงนี่ท่านเขาท่านปฏิบัติกันนะไอ้ตอนทํางานเนี่ยมันก็ปฏิบัติได้นะมันไม่แค่ปฏิบัติในรูปของการเจริญสติอย่างเดียว แต่เป็นการปฏิบัติในแง่ของการลดละความเห็นแก่ตัวก็ได้นะเพราะว่าคนเวลาทำงานเนี่ยก็จะมีเรื่องที่มากระทบจิตกระทบใจกระทบอัตตานะแต่ว่าถ้าหากว่ารู้จักถ่ายถอนหรือเท่าทันไออาการของอัตตาที่มันแสดงออกมาแล้วก็ วางมันลงได้สลัดมันทิ้งไปนะการทำงานนั้นก็สามารถจะพัฒนาจิตใจได้เหมือนกันนะแล้วก็สามารถที่จะทำให้ความเห็นกั่ตัวเนี่ยลดลงไปได้เยอะนะรู้เท่าทันความขุ่นเคืองที่เกิดขึ้นในใจนะเพราะฉะนั้นูดเรื่องการลดละกิเลสเนี่ย มันทำได้ตลอดเวลาแล้วก็ควรทําด้วยอย่าไปนึกแต่ว่าจะต้องมามาทํากันเฉพาะเวลาเดินจงกรมเวลาสร้างจังหวะนะถ้าวางจิตวางใจไม่เป็นแล้วนะสิ่งที่ทํานั้นเนี่ยมันก็แทบจะไม่ใช่เป็นการปฏิบัติเลยก็ว่าไดนะ้เพราะว่าการทําแล้วก็ตามเนี่ยอย่าว่าแต่ปฏิบัติทาเลยการทาทุกอย่างก็ต้องมีใจเป็นหัวหน้าอย่างที่เราสวดเมื่อกี้เนี่ย ทำทุกอย่างมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นประธานสำเร็จได้ด้วยใจมันไม่ได้ที่รูปแบบรูปแบบเป็นแค่ตัวช่วยนะถ้าไปติดที่รูปแบบนี่มันก็จะอาจจะกลายเป็นศิลปัตะปรามาสได้ศิลปัตะปรามาสเนี่ยก็หมายถึงว่าการยึดติดในรูปแบบวิธีการและเชื่อว่าทาเช่นนั้นแล้วจะหลุดพ้นได้โดยที่ไม่เข้าใจความหมายนะบางทีก็ไปติดเรื่องว่า คนไทยชาวพวกเราติดเยอะนะเช่นว่าจะกรวดน้ําต้องกรวดอย่างไรต้องมีน้ําจะต้องมีคํากล่าวอย่างไรจึงจะเรียกว่ากรวดน้ำเวลาเวลาจะรับศีลเวลาจะสมาสารสมทานศีลก็ต้องมาสมาทานกับพระต้องมีกล่าวคำเมออยังพันเตสมาทานศีลถ้าไม่มีพระให้ศีลก็สมาทานไม่ได้อันนั้นก็เป็นศีลพระตปรามมาศ แบบหนึ่งก็คือว่าความหลงยึดติดในรูปแบบแล้วก็จนกระทั่งงมงายเพราะว่าสมาทานนี้ไปสมาทานที่บ้านก็ได้ไม่ต้องมีพระก็ได้เพียงแค่ตั้งใจว่าเราจะสมาทานก็สําเร็จแล้วอยู่ที่ความตั้งใจไม่ใช่อยู่ที่รูปแบบก็อย่างที่เราเห็นนั่นนะสมาทานศีลเป็นละพอเสร็จพอเสร็จงานก็ไปกินเหล้ากันก็มีนะไปยิงนกตกปลาก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่อยู่ที่รูปแบบ ชันแรกก็ชันนั้นการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันถ้าวางใจไม่ถูกแม้จะนั่งแม้จะนั่งปิดตาแม้จะตามลมหายใจก็ก็ไม่ใช่การปฏิบัติในทางตรงข้ามถ้าวางใจถูกแม้จะไม่ได้คิดเลยว่านั่นคือการปฏิบัตินะแต่ว่าก็เกิดผลจิตใจได้เหมือนกันสมัยที่หลวงปู่มั่นเนี่ย นะท่านยังมีแรงทุดงไปที่ต่างๆนะตอนนั้นท่านก็บรรลุธรรมแล้วแต่ว่าท่านก็ยังมีกิจที่จะทุดงไปตามจังหวัดต่างๆเพื่อสอนญาติโยมมีช่วงหนึ่งท่านก็ไปที่ภาคเหนือท่านก็ทุดงไปจนถึงหมู่บ้านของชาวเขาชาวเขาเหล่านั้นเนี่ยไม่รู้จักพระไม่เคยเห็นพระเลยแล้วก็ไม่รู้เรื่องสมาธิภาวนาทั้งสิ้น ไม่รู้เรื่องพุทธศาสนาเลยนะทั้งหมดนะนะวันหนึ่งหัวหน้าชาวเขามาหาหลวงปู่มั่นก็เห็นท่านเดินจงกรมอยู่ขณะท่านบรรลุธรรมแล้วนะท่านยังเดินจงกรมอยู่เพื่ออนุเคราะห์เป็นแบบอย่างกับลูกศิษย์เห็นหลวงปู่มั่นเดินจงกรมแต่ไม่รู้ว่านั่นคือจงกรมนะก็เลยถามว่าทูตเจ้า กำลังหาอะไรทุกชาติกำลังเดินหาอะไรหลวงปู่มั่นท่านตอบว่ายัางไงท่านตอบว่ากําลังเดินหาพุทโธเหรอเออเดินยังไงอ่ะจะหาจะช่วยหาพุทโธให้ช่วยบอกหน่อยที่จะช่วยหาให้นะท่านก็เลยแนะนําวิธีการหาพุทโธนะก็คือแนะนําเดินจงกรมอันนะแต่ว่าใช้พุทโธเป็นเครื่องบริกรรม ชาวขันนั้นก็ไม่รู้เรื่องนะคือปัตนาดีกว่าหลวงพ่อก็ช่วยหาพุทธโธให้ท่านนะ่ะนะพาซื้อแต่ว่าพอเนื่องจากเป็นคนศรัทธาเนี่ยท่านสอนว่าให้ทำยังไงก็ทำตามเนะ่ยเพราะอยากจะช่วยหลวงปู่ ม, มั่นหาพุทธโธปรากฏว่าจิตสงบเลยนะจิตสงบแล้วก็เลยศรัทธาโอ้นี่คือการปฏิบัติแล้วก็เลยชวนชวนลูกบ้านนี่มาหาพุทธโธกับท่านมั่งนะ อันนี้เห็นมนะคือเจ้าตัวที่ไม่รูวนี่คือการปฏิบัตินะแล้วก็ไม่ไม่รู้เรื่องรูปแบบแล้วทั้งสิ้นแต่ว่าเนื่องจากวางใจถูกนะก็คือว่าจิตอยู่กับเท้าจิตอยู่กับกายบริกา ร, รไปด้วยพุโทโธพุโทโธซ้ายพุทขวาโทสมาที่ก็เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะมันเป็นกฎธรรมชาตินะก็เรียกว่าสัมผัสทำได้ โดยที่ไม่รู้มาก่อนว่านั่นคือการปฏิบัติเรืนะ่การปฏิบัตินี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่ความยากนะมันขึ้นอยู่กับการวางใจถ้าวางใจให้ถูกพนะู้เจ้าเปลี่ยนมันก็ว่าแม่ไก่เวลาฟักไข่เนี่ยถ้าฟักไข่ถูกต้องถูกเวลาแล้วก็ในเวลาที่ที่เหมาะสมเนี่ย ไข่มันก็จะฟักเองแม้ว่าแม่ไก่จะไม่อยากให้มันออกเป็นตัวก็ตามนะไข่นี่มันฟักเป็นตัวได้โดยที่ไม่ได้อยู่ที่ความอยากของแม่ไก่แต่อยู่ที่ว่าทำเหตุปัจจัยให้ถึงพร้อมมันก็ออกมาเป็นตัวได้นะเรื่องการปฏิบัติเนี่ยสิ่งสำคัญอยู่ที่ใจนะ ถ้าใจวางไว้ถูกวางไว้เป็นผลเรียกว่าถ้าถ้าประกอบเหตุให้ดีนะผลมันย่อมทนอยู่ไม่ได้มันย่อมแสดงตัวออกมาเหตุตรงนี้ก็คือใจนะที่จริงแล้วเนี่ยแม้จะมีความอยากนะแต่ถ้าหากว่าทำไปทำไปนะมันก็ได้ผลเหมือนกันนะถ้าวางใจไว้ถูก มีเกรดเกี่ยวกับเกี่ยวกับพระเซนชาวญี่ปุ่นท่านหนึ่งนะมีชื่อมากเมื่อ200ปีก่อนชื่อว่าท่านฮากุอินในวงการเซนนี่ก็จะรู้จักท่านดีวันหนึ่งก็มีลูกศิษย์มาบอกว่าหลวงพ่อช่วยทีเถอนนะพ่อผมอ่ะเอาแต่ทามาค้าขายไม่สนใจธรรมะเลย เวลาผมไปชักชวนพ่อพ่อก็บอกว่าเสียเวลานะเสียเวลาทำมาหากินนะก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีถึงจะชักชวนพ่อให้มาหาธรรมะได้ท่านเนาฮาวินก็เลยบอกเอาอย่างนี้สิไปบอกพ่อว่าให้สวดมนต์สวดมนต์จบหนึ่งหลวงพ่อก็จะให้หนึ่งอีแปะนะ ส่วนมณฑก จ, จบก็ตามก็จะให้เท่านั้นอีก8นะพอลูกไปบอกพ่อเงินพ่อก็อความโลภเนีงง่อยากได้เงินก็เลยสวดใหญ่เลยสวดใหญ่แล้วก็มาเขียนบินนะเรียกเงินกับหลวงพ่อหลวงพ่อก็ให้นะไม่ได้ถามเลยว่าสวดจริงตามนั้นหรือเปล่าอาศัยความไว้ใจท่านก็ให้ไปส่วนร้อยจบท่านก็ให้ร้อยอีแปะสร้อยจบท่านให้2องรแป บอกว่าสวดไปสวดไปนี่พอแกสวดไปสวดไปเนี่ยมันเพลินไงจิตมันจิตมันสงบเป็นสมาธิลืมนับเลยนะ <c oughs> นับนับไม่ถูกแล้วคราวนี้แล้วตอนหลังเลยเลิกนับเพราะพอนับแล้วเนี่ยมันไม่สงบไงแกก็เลยสวดอย่างเดียวสวดมนต์อย่างเดียวแลว้วก็ตอนหลังเนี่ยไม่เรียกเงินกับหลวงพ่อแล้วเกิดหันมาศรัทธาในการปฏิบัติของหลวงพ่อเพราะว่าจิตพบความสงบ นะคือตัวเองนี้ไม่ ไ, ไม่ได้คิดว่านั่นคือการปฏิบัติธรรมนะตัวเองคิดว่าเนี่คือการรับจ้างรับจ้างสวดแต่พอสวดไปแล้วเนี่ยทีละน้อยทีละน้อยจิตมันก็เริ่มสงบพอสงบแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันดีกว่ามันประเสริฐกว่าเงินทองใช่แต่ก่อนคิดว่าเงินเนี่ยประเสริฐ ก, กว่าแต่พอปฏิบัติแล้วจิตพบสงบเนี่ยธรรมชาติของพ่อค้าเนี่ยก็จิตใจว้าวุ่นพอใจสงบจากการสวด ก็เลยไม่สนใจเรื่องเงินละตอนหลังก็มาเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเนื้อธรรมเนี่ยอยากจะบอกพูดว่าเนี่ยเรื่องการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้ที่รูปแบบแล้วมันก็ไม่ได้อยู่ที่ความตั้งใจว่านี่คือการปฏิบัติธรรมด้วยคือแม้จะไม่คิดว่านี่เป็นการปฏิบัติธรรมแต่ถ้าวางใจถูกมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมในตัว แล้วได้รับอนิสงฆ์ของการปฏิบัติทําให้เกิดสติทําให้เกิดสมาธิบางทีปฏิบัติไปนะเกิดปัญญาขึ้นมาก็มีอย่างท่านวิอย่างท่านวิหลางเนี่ยนะก็เป็นคนที่ไม่รู้ไม่มีการศึกษาอ่านหนังสือไม่ออกมาอยู่วัด น, นะไม่ได้มาเป็นพระนะมามาช่วยมารับจ้าง ่าฟืนขนขนพาฟืนขนไม้นะแต่ว่าทําด้วยความใส่ใจปรากฏว่าก็เข้าใจถึงเข้าใจธรรมะได้นะแต่ไม่ใช่ว่ารู้เองนะเกิดจากการที่ได้ฟังครูบาอาจารย์เล่าแนะนำยังไงก็ปฏิบัติตามก็รู้ทาแล้วก็เป็นธรรมที่สูงกว่า ลูกศิษย์ด้วยลูกศิษย์นี่ก็ไม่สามารถหมาถึงพระในวัดนะไม่สามารถที่จะเข้าใจทำได้ลึกซึ้งเท่ากับท่านเวรหลางนะโดยที่เจ้าตัวก็ไม่รู้ว่านี่คือการปฏิบัติธรรมด้วยก็แต่ว่าทำด้วยความใส่ใจเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะย้าอีกทีวา่าเวลาปฏิบัติเนี่ยนะก็ขอให้มีทั้งการปฏิบัติในรูปแบบ แล้วก็การปฏิบัติที่ประสานกลมกลืนไปกับชีวิตประจาวันเรียกว่าเป็นการปฏิบัตินอกรูปแบบเป็นธรรมชาตินะไหนๆเราไหนๆเราต้องทำาอเรีย บ, บทต่างๆในชีวิตประจาวันไหนๆเราก็ต้องดูแลร่างกายเพราะมันเป็นพาล่าที่เราต้องดูแลเช่นต้องทำความสะอาด ร่างกายเพราะถาไม่ทำความสะอาดมันก็มันก็เหม็นมันก็เน่าร่างกายเป็นภาระที่เราต้องดูแลแต่ว่าถ้าเราวางจิตวางใจเป็นเช่นมีสติกับการทำสิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การชำระกายมันเป็นการชำระใจด้วยในทนองเดียวกันเวลาเราหายใจถ้าเราหายใจยังมีสติเราไม่เพียงแต่เอาออกซิเจนไปเลี้ยง เซลล์ต่างๆในร่างกายของเราเท่านั้นแต่เรายังสามารถจะเอาความสงบไปหล่อเลี้ยงใจได้ด้วยสามารถจะปลูกสติในใจเราให้เจริญ ง, งอกงามได้เรียกว่ามา two in one ะนะ t o in one ก็คือว่าทํา2อย่างทําอย่างเดียวได้ผล2 อ, อย่างก็คือว่ามีผลต่อกายด้วยมีผลต่อใจด้วยถ้าเราทําอย่างนี้นะเวลารถติดเราก็ไม่ทุกข์นะ วเวลารถติดแล้วก็ไม่หงุดหงิด น, นะไปกรุงเทพอยู่กรุงเทพนะรถติดแล้วอ่ะเราก็ตามล ม, มหายใจไปเราจะไม่เกลียดสัญญาณไฟสีแดงเพราะว่าสัญญาณไฟสีแดงเตือนว่าได้เวลาเจริญสติแล้วได้เวลาหยุดฟุ้งซ่านแล้วนะรถติดในกรุงเทพเราจะไม่หงุดหงิดต่อไปเพราะว่าเราปฏิบัติได้ในขณะที่รถติดนะรถไม่ติดก็ดี ก็ไปถึงเร็วรถไม่ติดก็ดีรถติดรถไม่ติดก็ดีไปถึงเร็วรถติดก็ดีได้เจริญสติมากขึ้นใจถึงธรรมนะถ้ารถไม่ติดนะตัวก็ถึงที่หมายได้ไวแต่ถ้ารถติดใจก็ถึงธรรมได้เร็วเหมือนกันนะดีทั้ง2 อ, อย่างและการเจริญสติหรือการปฏิบัติธรรมบนถนนในกรุงเทพนี่สําคัญนะ พวกเราชาวกรุงเทพเนี่ยเขามีคนทําสถิติเอาไว้ว่าในเวลาหนึ่งปีสามอหกสิบห้าวันเนี่ยคนกรุงเทพเนี่ยอยู่บนท้องถนนอยู่บนรถเนี่ยรู้ไหมกี่วันอนะหกสิบห้าวันสามรหสิห้าวันนี้หนึ่งปีนี้นะที่เราที่เราอยู่ในกรุงเทพนะเราอยู่บนรถเนี่ยตัวเราอยู่บนรถเนี่ยหรืออยู่บนถนนเนี่ยหกสิบห้าวันเต็มเต็มนะคุณยี่บี่ชั่วโมงเข้าไป นะและถ้าเราใช้เวลา65วันบนรถนะด้วยความหงุดหงิดนะเรากาลังทำร้ายตัวเอง65วันคูณ24ชั่วโมงกาไปคือเวลาที่เราหงุดหงิดเวลาที่เราขุนเคืองใจเรากาลังทำร้ายตัวเองให้เป็นโรคประสาทเร็วเข้าแต่ถ้าเกิดว่า65วันนั้นเนี่ยเราใช้เวลาครึ่งหนึ่งสหรับการเจริญสตินะเราจะได้อา น, นิสงส์มากนะ ถนนบนกรุงเทพจะไม่ใช่นรกอีกต่อไปนะอันนี้ก็อยากจะฝากเอาไว้แล้วก็ขอยุติเท่านี้